แฟนใครนอรูปหลอกเข้ามานั่งจอจีบฉันตั้งนานทราบมาว่าเธอแต่งงานแล้วมีแม่บ้านคอยห่วงเสมอ นหนนูไม่เาคนมีแฟนจะควงแขนก็กลัวไม่เพลินหนูไม่ลาไม่ต้องเชิญแต่มีเงินนี่สิคิ ด, คด่อนหนูไม่เาคนมีแฟนจะควงแขนก็กลัวไม่เพลินหนูไม่ลาไม่ต้องเชิญแต่มี รอจีบฉันตั้งนานทราบมาว่าเธอแต่งงานแล้วมีแม่บ้านคอยห่วงเสมอหนูไม่เอาคนมีแฟนจะควงแ้นก็กลัวแฟนเจอหนูไม่เอากลัวแฟนเธอ